กว่า20ปีพี่เส <laughs> ีไ <laughs> ด้เพราเข็ดได้ก็วันแล้วนะบ้านไม่กันย่งสอนทําอยู่เนี่ยก็ตั้ง20 30ปีแล้วย่งเครียดยังสุดเลยกันอยู่ย่งกินเหล้าเม้ออยายาอยู่บ้านทามาค่อยหวานอกันั่งบ็ไม่ผลงาน เอายี่ร้อยี่สิบปี <c oughs> ได้แล้วเก็บสิบปีหะสิบปีแล้อีกครึ่งหนึ่งเนาะเออหน้าหนากับพคกข้าบานเพ่นเลยบานปลาพาดงอยู่เ น, น, ะ น, นาะถนนลาดยางกับพวกไี่คือเพิ่น แา่บ้านเท่ากับที่ทำดิวทำกินกับบมีเอาปลูกปลายกผ้าใส่เบิดรับจ้างโยรับจ้างกินไปพาไปขอนายกรัฐมนตีขอทีทำกินเว่พาพันิที่หายอยู่ได้หระอยงมีที่พ า, าจังหวสุดสมอยู่หลายล้านไร่ตีแบงให้ประชาชนเขาได้มีทีทำดิวทำกิน หลวงพอปรอยากเลยหลวงพ่อเนี่ยบาตน้องเบญทบาทโยมไปเบญทบาทเขาบ่ได้นี่แหละเห็นโอเห็นใจกันนั่นส่เลเห็นอยากที่นโยมหลดสงสารสงสารหลวงพ่อ ยังไงเจ้ามกมุ่นกับเกลียกกับงานขยันขันแข็งแระพุทธเจ้ากับรุดหลุดพี่เบาทวงเบาทันเนาะอ่าแนวกาการใส่กับไม่แนวใส่แนวใจหลาเสมเอเนี่ยภา n า m ภาไฟภาของโยของกินว่าเือสมัย่โบราณ ตอไหนหมดล้านเราเลยบ่คยใส่เงินเจียเทียจนว่าเป็นเบาวบ่มีเงินติดถงุงพอยิงสิบบาทเจียเทียเป็นเบาอ่บอบ่คยมีเงินนี่ปัจจัยอาจจะกิน ข, าขา้าวก็ะต๊อกข้าวจะได้เราไปตำ อยากกินปลาก็ไปเอาปลาเจ้านหน้าอ่ปลาเจ้านายหน้าก็เอาโกนเอาโกนไปจุมไปในสาเวียดนามผมแปมแป๊มกับหมุดลงไปเอาพ่างไปอัดโกนจมขึ้นมากอันที่แจงก็เอาแจงอันที่พ่นก็พ่นเรือนั่นเทพไปขึ้ น, นก็เสมอเนี่ยในน้ำก็เ่าไม่ปลาในน้าก็เ่าไม่เขา่า ซอยกันประหยัดเนี่ยนะไม่ทางเดียวเขาจะต้องประหยัดอ ย, ย, ย่าสลวยสลายมันสิหนักไปหนาอยู่ของก็แพงไปเลยๆของห้องผิดขึ้นกับโมคอยมีแล้วของก็ไม่แต่ของสื่อของจ่ายเข่าห้องกระผิดว่ไใดน้ำห้องก็ะผิดว่าดไม่จะหน้าสื่อหลอบตัวห้อง เต่ารอลานกัซอยพอซเมเดอร์จขอเงินไปโรงเรียนหลายบาทสองบาทสามบาทสื่อตําบงห่งบาทได้เพราะเสมอนี่เออตําบกหลวงพอไปชนบุรี กับจันต่องสินกับจันนดซื้อแนวมาฉันเพ่นเนยนะซื้ อ, อยังซื้อแก้วทำแก้วอย่างเดียวเ้ากันจำแก้วก็ดีได้เละจำแก้วทั้งรถเอาแก้วใส่ถุงเหลวกับปัน่นขอนี้วจำยังไงถุงพอี๊ยมแองแกงกันนะมหาจะไปสร้างอันใดดีๆเลย ของอยู่ของกินกับละมั่รละว่างจะมาเนี่ยงดการกินเนื้อ <c oughs> ลงแหนักหมากผิกกระปุกเอาพักกระปุกเอาขนาดบางฮ่งเนี่ยก็ไปขายเนี่ยขายตำฮวงเนี่ยกลำลังรวยกันเลยส ม, มุนเพราะมันไปขายลาบขายก่อย ไปแต่มงมงในบ้านทามว่าไปหวานเนี่ยได้มาซื้อรถซื้อ ล, อลาสัางบ้านสัางเรือนมาวันแบ่หาสัตว์ตัดชีวิต บเท่าบันไม่บานสนปลาเขาก็อยู่ํากันมาหลายปีเข้าใจกันเป็นเพื่็นนองกันเป็นญาติความคู้เคยความเคยคิด เป็นญาดยางยิ่งปืนเพิ่นดีแต่แมน่งของปืนตะวานเน่าขันดีก็เพิ่งผ้าใจกันไรหวานเพิ่นเพิ่นดีเป็นก็ะยูไก่เน่าหวานเน่าบ้านไม้บวานสวนปลาเพิ่งผ้าใส่กันค่อยไฟคอยมาคอยเฮ็ดคอยสามค่อยใส่คอยใจ นี่สิบเดียจะปลอกหนามสะอากันหนึ่งหาสองสลึงในมือให้เจ้าเจ็บเอาไว้ <c oughs> ตื่นมาเ่้าไม่เก่าลังยามยามสวนบุกพิกยามพ่นบุเกเขือยามสวนพักยามต้นบุกงง ไม่น่าจะยม่ะแม่เลี้ยนหนั่งบกฮูงสองบกพริกสามผักบกเขื่ อ, ไ ม, อไมบ่เอนะอเาเป็นมะเสาไม่เข่าลังยมยมสวนพริกยสวนบกเขื่อยำสวนผักยำสวนบกฮูงเออพอได้กินแล้ววัน หลวงพอ่อเคยบอกให้ฟังคนบันน้องหัวอายุรอยสิบปีนั่งแข็งแรงเดี๋ยวมาเดินจงกบปฏิบัติทำนโมได้หลวงพ่อไปถามเราเพราะัยเจ้าจันไรเพื่อีอายุยืนเลยเจ้าจิ ง, อ ง, จจงของกับยางเราว่าเราจริงของกับสุบุกเขือประจำเลยหันเดินมาหวงว่าทาไมสุบุกเขือ ป้นมะเขืออย่างเดียวอายุร้อยสิบปีเอาน้ำเล่าลงวังไปแล้วฮะปลูกมะเขือฮะกินได้ทุบมะเขือเนี่ยที่ว่ไม่ได้ยืดเยอจะล่าอยู่บ่ สมุรล่านให้ทังสนันละอะไรป่ามากใช่ไหงก็ปิ่งย่างไวเหล่ามาพนใส่กระปุกไว้ไปแจงใส่พักใส่นี่ไปเพาว่าตัดเป็นตอนโคลงกระเลือเสมอพรเห็นตอนป่าแจงป่าขันแจงไกลใช้นมไม่สมเพราะมุนเห็นแต่นอนตอนนมไม่สมสมล่านปัญญาวาบา ก, กระโต๊ดบ้านย่อนหมู บบอย่าบอกระโตนหมนั่งเนี่ยไม่โม่กินเดียวทอสองเหนียวทันล่ะชอบกินหน้าแบบนนมบากระโตนเสมอเนี่ยโอ้ยเป็นสีนเป็นตอนโคโลโอเกลเล็มันเปลี่ยนว <c oughs> ัฒนธรรมการเดียวกันกินคนสมอกับคนโบราณเนาะแล้วพอคือฮอดโบราณเนี่ยอยากลับไปสู่คมเป็นโบราณแกหน้อย ค้ามเป็นอยู่การโอภคบริโภคนม่ไสใจข้อเห็มกันเถอะมาถามกันหายแล้วถามจนได้วัฏยางกายกันเสมอในถามกันบ่บ้านวัฏงกายกันเนี่ยหือว่าเปล่าไฟไฟไปมันแค่ก้อนในถามกันหนมาดำหน้าก็ถามเรื่องดำหน้าน้าเกี้ยวเข้าก็ถามเรื่องเกี้ยวเข่า ง่ามไปปลูกพักกระถามกันเรื่องปลุกพักพักเจาะง่ามบอตกแต่งางามบอหอพักง่ามบอถามกันเห็นหน้าถามเข่าถาง่ามบอไกลเสิ็จแล้วมวลกันพูดเบาพูดสาวไปเลี้ยงขัว้วไปเลี้ยงทั้งได้ตัวโคกได้เ้างวันนี้ บอกกันลัดกันไล่้วไอ้กันโค <c oughs> อกพอ่อญาจะวันได้หลายนวมาซวนกันเอางเอาคว้วยอไปเลี้ยงนี่แน่วเป็นส่วนรวมกันหลายอย่างคนโบราณเห็บเห็ดกันพ่อเห็ดทั้งที่ก็เอิ่นกันมาให้เ่าเก็บ เอ่นกันมาซะก่อ น, อนพลังเขาท่องนั้นพลังเขาท่องนี้เห็บเห็ดเห็บเห็ดแล้วเบิงกระตากันวันเขาบานเจ้าไดพ่อมึงไดพ่เบิงกระตากั น, น ก, ก็นพดได้หน่อยก็แบ่งให้กันสะทอกันอดวรรลนหอ้อบ่อทองเป็นห่วง้าไปลำกลินไม่หวังบ่อบ่หลุบใดทรายกันแบ่งกัน หาผัวหาฝามากยางกายบาดก้อนนี้เขาบ้านต้องตัดหางตองปิดไว้ตองรดทางใสกตาใสคุใส่แครงมากมาหอดบ้านก็ได้แ่ว่างคุลงกันไปสอนเสร็จเอาจับกลุ่มจับเชี่ยวใส่หางตองนื่เป็นไทยโบราณมา ก, กเลยเหลือมากพ่อได้กินเพิ่นคือโตโตคือเพิ่นมายพลร้าะ อย่งางกายบาดมนจะไปหานไดนมามันไม่ส่วนหรอคนโบราณทำให้น้าใจอ่พวกวกวาพอก็บอกคนน ม, มคิดไปข้างหน้าคนชราคิดขึ้นข้างหลังแหลวงพ่ออยู่ในสภาพชราแล้วคิดแต่ข้างหลัง้ลลงน ว, งงวนะคิดไปข้างหน้าพ่าเป็นหรอก เราไปกันลพ่อเถอะดูเย็นเป็นสุขทุกปูทุกคนอยย่วันนาสุขภาภละปฏิบัติธรรมไม่โอกาสเข้าถึงศีลถึงธรรมเบื้องสูงของพระสมมาสมปตุจจานุวิชชาปัจจุบันนี้ด้วยกันทุกคนทุกคนเดิดขอว่าโดยสาพะมังครางขอสาพามองค์จงมเมตแจยทานระกันโดยสาพระเทววตา เราเทวดาทั้งวงจงรักราทานสาพาพุทธานุภาเวนะโดยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรร ม, มานุภาเวนะโดยอนุภาแห่งพระธรรมสาพาสังฆานุภาเวนะโดยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาทาสติภวันตเดขอวามสวัสดีทั้งหลาย ยังไม่เจริญรกรู้เยปฏิสงขโยนิโรบินตาปัตตังปฏิเสวามิเนวะทวายะนามัตถายะนัมันธนายนเวปุจนายะยะวุจวายมะจารยาจาริฏฐายะปายะวิสุปะรติยามนุกามิยะ อิตป <and> ุราณะเวทนาังปฏิห <univers> ังขามินาวัญเวทนาังนาอุปาเทตานิยาตราจะไม่ภาวิจติอนาวัจจตาจัาสุยหาโจตินะนมฉันปฏิบัติธรรมตักอาหารเนอฉันได้ตามอัธยาศัยเอาให้พ่อฉันให้อิ่มไม่เวลยไม่แน่อิ่มบ่เนี่ย เราจ่อยๆเอาจ่อยๆห้องขอเปแปลเป็นไนะมะเทียนเราแปลแปลห้องกอไปแปล